สมเหตุที่ต่างกันพระพุทธภาษิตคาภะเมเกเ อ, อุ ป, ปั ช, ชันตินิระยังปาปกามิโนสักังสุกติโนยันติปรินิ บ, บันติอาสวะแปลความว่าคนบางพวกเกิดในคันผู้ทําชั่วย่อมไปนรกคนทําดีไปสวรรค์ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิ พ, พานอธิบายความผู้เกิดในคันนั้น เช่นมนุษย์และสัตว์บางจำพวกส่วนมากเป็นประเภทสัตว์สีเท้าเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้พึงทราบ ก, กำเนิดสี่ก่อนกำเนิดหรือโยนิสีในบาลีมัชฌิมณิกายมูลปัญ น, นาตได้กล่าวถึงกำเนิดสี่ประเภทไว้ดังนี้ 1. ชลาพูชะเกิดในคันหรือจากคัน 2. ออันทชะเกิดในฟองไข่หรือจากฟองไข่ 3. สังเสทชะ เกิดในสิ่งโสโครกหรือจากสิ่งโสโครกสโอปาติกะเกิดผุดขึ้นประเภทที่หนึ่งได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยน้ํานมเป็นส่วนมากเช่นมนุษย์แมวสุนัขวัวและม้าเป็นต้นประเภทที่สองได้แก่สัตว์ที่เกิดจากฟองไข่เช่นไก่เป็ดและนกเป็นต้นประเภทที่สามได้แก่สัตว์ชั้นต่ําหรือพวกเยืมซึ่งเกิดในที่โสโครกเช่นนอนบางชนิด เกิดในเนื้อเน่าหรือของบุตรเสียแม้บางพวกจะมีไข่เล็กๆด้วยเหมือนกันก็ตามผู้ที่เกิดโดยการแบ่งเซลล์ก็จะอยู่ในประเภทนี้อีกอย่างหนึ่งท่านว่าในพวกสาที่เกิดจากไข่ด้วยกันนั้นพวกเลือดแดงจัดเป็นอันทชะส่วนพวกเลือดขาวจัดเป็นสังเสทชะประกาศประการที่สี่ หมายถึงพวกกายทิพย์ต่างๆเช่นผีเปรต ส, สัตว์นรกเทวดาเป็นต้นมิได้กเกิดจากท้องพ่อแม่หรือจากฟองไข่แต่เกิดขึ้นด้วยอำนาจกรรมพวกนี้จเจริญเติบโตทันทีไม่ต้องผ่านความเป็นเด็เดกอ่อนมาก่อนมีอวัยวะและอินทรีย์ต่างๆพร้อมบริบูรณ์มีความสามารถในการเห็นการฟังเช่นผู้ใหญ่พวกนี้เมื่อตายก็หายไปเลยไม่มีซากศพเช่นมนุษย์และสัตว์ดิบชั้นในโพธิป a สูตร พระพุทธเจ้าทรงแสดงแกก บ, บทาปาทะปริภาชกว่าโอปาติกะสัตว์นี้มีกายที่สร้างขึ้นจากใจเรียกว่ามโนมัยกายนงเล็บมโนมโยมอีอวัยวะแขนขาครบบริบู์สัพพังขะปัดจังดีและมีอินทรีต่างๆดีพร้อมหีนินนารโย สัติ์ผู้ถือโอปปาติกะกำเนิดนี้พึงเขียนสัตว์ต่อไปนี้คือ 1. อบาย 4. ได้แก่นรกเปรตอสุรกายสัตว์ใรสารสองสวรรค์6กชั้น 3. รูปปรปภ์สชั้น 4. รูปปรปม์ชั้นในนวะกะนี่บาทอังคุตตะนิกายพระพุทธเจ้าตรัสแจ้พิกูุนทั้งหลายว่าโอบปาติกะกำเนิดนี้บุคคลสามารถรู้ได้โดยผ่านทางสมาธิ ไม่สามารถรู้ได้ด้วยการเก่งความจริงหรือการนึกคิดธรรมดาอย่างที่คนส่วนมากชอบทำกันที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสัตว์บางพวกเกิดในคันบางพวกที่ทำกรรมชั่วในนรกที่ทำกรรมดีไปสวรรค์และที่ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานนั้นเป็นไปนตามอำนาจแห่งกรรมของสัตว์นั้นไม่มีใครบังคับและไม่มีอานาจใดบังคับได้นอกจากกรรมของตนเองบรดาให้เป็นไปกาเนิดต่างๆเกิดขึ้น โดยอำนาจการจัดสรรแห่งกรรมคนทำชั่วมากย่อมถูกส่งไปนรกคนทำดีมากไปสวรรค์คนทำดีถึงที่สุดไม่มีความดีอะไรจะต้องทำอีกแล้วกระตังกระมียังย่อมปะริพานส่วนคนที่ยังมีดีบ้างชั่วบ้างมาเกิดเป็นมนุษย์มีความดีไม่ถึงขั้นไปสวรรค์มีความชั่วไม่ถึงขั้นลงนรกหรืออวัยวะอื่นๆด้วยเหตุที่เป็นมาอย่างนี้มนุษย์จึงหาคนดีพร้อมได้ยาก และหาคนชั่วพร้อมก็อยากเหมือนกันมักจะเห็นแต่ดีมากดีน้อยชั่วมากชั่วน้อยคนที่สันดานยังหยาบ อ, อยู่เป็นคนเลวได้ง่ายเป็นคนดีได้ยากนั้นอาจมาจากนรกหรืออวัยภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งเช่นกำเนิดสัตว์เทลชันเป็นต้นคนที่อุปนิสัยดีประณี้เป็นคนดีได้ง่ายเป็นคนเลวได้ยากนั้นน่าจะมาจากสวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งหรือมาจากมนุษย์อันได้รับการอบรมขัดเกลามาดีแล้ว มนุษย์เราไม่ควรประมาทควรขัดเกลารัฐยาศายไปเรื่อยๆอุปนิสัยจะประณีตขึ้นมีวาสนาดีทำอะไรสําเร็จได้เร็วมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเด่มากและมีความสุขมากตรงกันข้ามคนที่ปล่อยตัวปล่อยใจไม่ได้ควบคุมเลยใครสัตว์เดรชาณ น, นั้นภพหน้าของเขาก็จะต้องเหมาะสมแก่คำของเขาเหมือนกันคืออาจไปเกิดเป็นสัตวเดรชาณเพื่อให้เหมาะแก่ความโน้มเอียงส่วนผู้ปรินิพานนั้น เพรามีความโน้มในความดักกิเลสอย่างเต็มที่ดักกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดในภพหรือภูมิต่างๆได้หมดสิน้นไม่มีความอันเหมาะสมที่จะเกิดในภูมิใดภูมิหนึ่งหมดความอาลัยในกามและในภพทั้งปวงจึงข้ามขึ้นจากความเป็นชนั้นคือโลกุตระพระศาสดาตรัสเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวันารามเมืองสาวัตถีทรงปรารบพระติสระผู้คุ้นเคยกับสกุลนายช่างแก้วมีเรื่องย่อดังนี้ พระติสาเถระคุณเคยกับสกุลในช่างแก้วมาเป็นเวลาถึงสิบสองปีได้รับนิมนต์มาฉันธิบานเป็นประจำสองสามีพญญาแห่งสกุลนั้นอยู่ในฐานะเพียงดังมารดาของท่านติสะวันหนึ่งในช่างแก้วกําลังนั่งหันเนื้ออยู่เบื้องหน้าพระเถระพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้ราชบรุษนําแก้วมณีดวงหนึ่งไปให้ในายช่างแก้วเจรไนนายนช่างแก้วรับแก้วไว้ทั้งๆ้ง ท, ง ท, งที่มื อ, อยังเปื้อนเลือดอยู่ วางไว้บนเขียงแล้วเข้าไปล้างมือในือในเรือนในเรือนนายช่างแก้วมีนกกระเรียนอยู่ตัวหนึ่งนกได้เกินแก้วมณีเข้าไปด้วยเข้าใจว่าเป็นก้อนเนื้อพระเถระเห็นอยู่ในขณะที่นกกระเรียนเกินแก้วมนันีนั้นนายช่างแก้วกราบออกมาเมื่อไม่เห็นแก้วจึงถามพัญญาธิดาและบุตรโดยลําดับแต่ไม่มีใครรู้เห็นจึงตอบปฏิเสธกันทุกคนนายช่างแก้วจึงปรึกษาภัญญาว่า เห็นทีพระเถระจะเอาแก้วมณีไปแน่แท้เพราะในที่นี้ไม่มีใครอื่นเลยฝ่ายพัญญาพูดกับนายช่างแก้วว่าอย่าได้คิดสงสัยในพระเถระเพราะตั้งแต่ท่านคุ้นเคยกับสกุลมายังไม่เคยเห็นข้อบกพร่องราไรของท่านเลยจะเป็นบาปเป็นครรมปเปล่านายช่างแก้วไม่ได้เชื่อพัญญาอันหนึ่งความเกรงกลัวราชภัยทาให้เขาต้องพยายามหาแก้วมณีให้ได้เขาเข้าไปถามพระเถระ ท่านบอกว่าท่านไม่ได้เก็บไว้ท่านขอรับในที่นี้ไม่มีใครเลยวี่งแต่ท่านเท่านั้นถ้าท่านเอาไปก็จงส่งคืนกระผมเสเถิดพระเถระยังคงยืนยันว่าท่านไม่ได้เอาไปนายช่างแก้วพูดกับพัญญาว่าพระเถระต้องเอาไปแน่ๆต้องบีบคั้นเอาคืนมาให้ได้พัญญาของเขากล่าวว่านายอย่าให้พวกเราต้องพ่ากันทิพท์ายเช่เลย การที่พวกเราทั้งหมดต้องเป็นท่าของพระราชาประเสริฐกว่าการใส่รายพระเถระนี้ไม่ดีเลยนายช่างแก้วเทียงว่าแม้พวกเราทั้งหมดจะเป็นทาาก็ยังไม่เท่าข่าของแก้วมณีพูดดังนี้แล้วนายช่างได้เเชือกและไม้มาขันศีรษะของพระเถระให้แน่นเข่าทีละน้อยในตาของท่านถลนออกมาเลือดออกทางจมูกศีรษะและหูของท่านทุกเวทนาแสงสาหารได้เกิดขึ้นแล้วท่านลม้มลงเยียบภาคพื้น นกกเรียนได้กลิ่นเลือดมาเพื่อจะดื่มเลือดนั้นนายช่างแก้วเตะมันตกลงไปตายทันทีพระเถระเห็นดังนั้นจึงกล่าวว่าอุบาสกนก ก, กกเรียนตายหรือไม่ท่านขาจะต้องตายเหมือนนกนั้นนช่างแก้วพูดเมื่อพระเถระรู้ว่านกตายแล้วจึงกล่าวว่าอุบาสกนกนั้นได้กลืนแก้วมันีเข้าไปถ้านกนั้นยังไม่ตายแม้อธรมายจะต้องตายก็หาบอกไม่ นายช่างแก้วแหวะทองนอกนั้นเห็นแก้วมณีเขาตกใจมากตะยังอยู่ครู่หนึ่งเศร้าสลดใจหมอบรลงแทบเท้าพระเถระพรางกล่าวว่าขอพระคุณเจ้าจงอดโทษแก่ข้าพเจ้าเลยเถิดข้าพเจ้าทำไปเพราะไม่รู้อุบาสกโทษของท่านหามไม่มแม้โทษของอาตมาก็ไม่มีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของวัตตอาตมาอดโทษให้ท่านพระคุณเจ้า หากท่านโอโท้อนให้ข้าพเจ้าจริงขอได้โปรดมานั่งรับพิคษาในเรือนของข้าพเจ้าดังเดิมพ ร, ระเถระกล่าวว่าอุบาสกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นโทษของการเข้าสู่ ส, ก, ส, สกุลโดยตรงอัตมาจะไม่เข้าสู่ชายคาเรือนของใครอีกเมื่อสแสวงหาพิกษาก็จะยืนอยู่ที่ประตูเรือนเท่านั้นดังนี้แล้วท่านไในสมาทานทุกองว่าปจัจจติมุโนด มมนีโนภัดตังโทกังโ ท, โ ท, โ ท, โ ท, โทโกังกุเลกุเลปินดิกายะจริสามิอาทีชังคะพระลังมะมะอาหารที่เขาหุงไว้เพื่อมุนีตระกูลละเล็กตระกูลละน้อยมีอยู่หาํำลังแค็งของเรามีอยู่เราจักสแสวงหาอาหารด้วยปรีแข่งนั้นพระเทเรพรินิพพานในเวลาไม่นานนักเพราะทุกขเวชนานั้นนกเกเรยียนตายแล้ว ถือปฏิสนธิในท้องของพันยาแห่งนายช่างแก้วนายช่างแก้วเกิดในนรกส่วนพันยาของนายช่างแก้วเกิดในสวรรค์เพราะมีจิตอ่อนโยนในพระเถระเมื่อพิสูจ์ทั้งหลายทูลถามถึงอภิสัมปรายภพของคนและสัตว์เหล่านั้นพระศาสดาตรัสว่าภิสูุ์ทั้งหลายสัตว์บางพวกเกิดในคันบางพวกทําบาปเกิดในนรกบางพวกทํากรรมดีไปสวรรค์ ส่วนผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพานมีนัยะดังพนานามาแล้วแต่ต้น